คนภาวนากับคนไม่ภาวนานะมีจุดด่จุดแข็งต่างกันนะเท่าที่หลวงพ่อสังเกตพวกคนใหม่เลยอยู่มาจนอายุป่านนี้ยังไม่เคยภาวนาเลยนะก็เข้าขันไม่ค่อยเอาไหนอยู่มาได้ยังไงจนโตข้อเสียก็คือจะเอาจริงหรือเปล่ายัางไม่แน่ไม่เหมือนพวกขยันภาวนานะพวกนี้ที่จะเอาจริง แต่ข้อดีของพวกที่ไม่เคยภาวนาก็มีวันนี้ถ้าเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่นะเรียนรู้ง่ายไม่ต้องมาแก้ของเก่าที่ผิดส่วนคนที่ชอบภาวนานะคร่าครึมานานเรียนโน้นเรียนนี้มาพวกนี้มีข้อดีคืออยากปฏิบัติข้อเสียก็คือปฏิบัติผิดมาเยอะแล้วต้องเริ่มต้นใหม่นะรวมความแล้วต้องเริ่มใหม่หมดอนะ่ะใครมาที่นี่ย หลวงพ่อังไม่เห็นนลงพ่อนาวิเศษวิโสเปนอย่างไเนเลยไม่ไม่ติดคิดเอาติดเพ่งเอาอะไรคนที่จะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาจริงๆมีน้อยมากเลยเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆลงพ่อสอนหลวงพ่อบอกตรงๆเลยว่าในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวยากเต็มทีแค่รู้สึกตัวยังแทบไม่มีเลย เลยย้อนหลังไปอีกเมื่อสักสาสบปีก่อนหลวงพ่อาอสอนเพื่อนกลุ่มหนึ่งไว้เวลาไปหาครูบาอาจารย์ น, ะนั่งรถตู้ไปยกเป็นคนขับคนเดียวดังนั้นเป็นพวกที่เราสอนไว้ข่าวัดครูบาอาจารย์ที่ท่านจิต ไ, ไว้หันกลับเลยท่าบอกพวกนี้ไปรวมตัวกันมาได้มากขนาดนี้ได้ไงสิบกว่าคนเนี่ยแค่รู้สึกตัวเป็นนะท่านวาหายากมากเลย วัดหนึ่งวัดหนึ่งยางหาสักคนหนึ่งยังหายากเลยแต่ว่ามาถึงวันนี้คนที่รู้สึกตัวเป็นเนี่ยมีจำนวนนับไม่ถ้วนลำพังแค่รู้สึกตัวเป็นเนี่ยไม่พอแล้วละ่ะถือว่าล้าสมัยละนะประเมินผลแล้วล้าหลังมาถึงวันนี้เนี่ยหลวงพ่อเพิ่งไปเทศที่ไหนจำไม่ได้เมื่อเรียวเดียนี้ส่งกันบ้านสิบคนนะแยกขันได้สิบคนเงินถ้าอย่าง แยกธาตยแยกขันไม่เป็นนะมาถึงวันนี้ถือว่าช้าแล้วล่ะจะเกือบจะไม่ทันรุ่นเดียวกันละอาจจะต้องรอไปรุ่นภาษีระยะไม่ไกลทําไมต้องแยกขันครูบาอาจารย์สอนนะฟันธงเลยนะอย่างหลวงตามหาบัวท่านพูดชัดเจนเลยถ้าแยกธาแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะอย่ามาคุยกับเรานะว่าปฏิบัติเจริญปัญญาทั้งนี้นะการจะเจริญปัญญาได้เริ่มต้นจากแยกธาตุแยกขันได้ เพราะอะไรเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของาธาตุขันธ์ของรูปของนามเพราะฉ้เราต้องเข้าไปเห็นตัวรูปตัวนามก่อนถ้าเรายังไม่เห็นตัวรูปตัวนามนะไม่เห็นตัวสภาวะที่หลวงพ่อเรียกว่ า, าธาตุขันธนะ์อย่างร่างกายเนี่ยมีสภาวะที่แท้จริงคือตัวรูปรูปที่ประกอบขึนเป็นร่างกายหลักๆเลยรูปหลักๆเรียกมหาภูตอ ร, รูปนะคือธาตุดินน้าไฟลม นี่เป็นธาตุหลักเป็นรูปหลักเลยถ้าอยากดูกายแล้วยังดูเข้ามาไม่ถึงดินน้ำไฟลมนะยังห่างไกลยังไม่เก่งจริงส่วนมากที่ดูกายเนี่ยจะดูข้างเคียงดูรูปข้างเคียงรูปที่นิยมดูนะรูปเคลื่อนไหวต่างๆเรียกมิญัติรูปรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอันนี้ยังไม่ใช่รูปที่เป็นตัวแท้ๆของรูปหรอกรูปตัวแท้ๆคือดินน้าไฟลมดูยากมาก ในเส้นผมหนึ่งเส้นมีดินน้ำไฟลมนีในน้ำลายหนึ่งหยดมีดินน้ำไฟลมเนีเข้าใจยากนะเข้าใจยากมากเลยแล้วจะเห็นธาตุเหล่านี้เกิดดับเกิดดับกลับกร อ, อกไปมาเนี่ยยากมากถ้าไม่ทรงฌานจริงๆดูไม่ได้หรอกดูไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะฉะนั้นการดูกายเนี่ยท่านถึงบอกว่าการดูกายเนี่ยเหมาะกับสมาธานิกเหมาะคนเล่นสมาธิคนทรงฌาน เข้าฌานเสร็จแล้วมาดูไกายจะดูง่ายว่ากายนี้เป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองแยกธาตุออกไปได้ธาตุดินก็เห็นธาตุดินเกิดแล้วก็ดับธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟแต่ละธาตุแต่ละธาตุเกิดแล้วดับเนี่เรียกว่าแยกธาตุได้เขาก็แยกเข้าไปจนถึงตัวสภาวะแท้ๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรม มีหลายแบบมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมาแล้วมีอันหนึ่งที่เหนือกว่ารูปธรรมนามธรรมาคือพระนิพพานสภาวะธรรมทั้งหมดนะั้นแยกได้72ตัวนี่หลวงพ่อปกติไม่ได้สอนมากขนาดนี้หรอกมันเยอะเรียนแล้วใจฟอ72ตัวนั้นหากออกไปหนึ่งคือพระนิพพานหากออกอีกหนึ่งคือจิตที่เหลือนะั่นคือรูปปนามที่เราจะใช้ศึกษาได้จริงๆเจตสิกมี52าสิบสองตัว นี่เป็นสภาวะธรรมเหลือเท่าไหร่หักเจดบสองหักออกไปห้าบสเหลือเท่าไหร่คิดให้ดีนะ <c oughs> นั่นแหะคือตัวรูปส8บปดรูปใช่ไหม <c oughs> รูปจริงๆนักนั้นเป็นรูปไม่จริงนะนสภาวะธรรมมีเจบสองตัวถ้าแยกได้หมดก็เก่งนะแต่ว่าไม่จำเป็น ไม่เป็นไม่ใช่ภูมิของสาวกขนาดพวกเราจะแยกได้ทั้งหมดหรอกนะเราแยกได้เท่าที่เราดูได้นะส่วนของรูปธรรมแยกออกไปได้หยาบหยาบไม่ได้แยกได้ถึง18ตัวนะส่วนของนามธรรมา ท, ที่เป็นธรรมที่เกิดร่วมกับจิต52ตัวอาจจะเห็นได้ไม่หมดนะเห็นได้บางส่วนเห็นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะจริงๆไม่ต้องเห็นทั้งหมดหรอก การเรียนธรรมะนะั้นเป็นการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเรียนเราเห็นตัวไหนชัดเราก็ดูตัวนั้นแหละแล้วทุกตัวที่เราเห็นนะมันสอนธรรมะอันเดียวกันหมดเลยคือไม่ว่ารูปหรือนามนะั้นก็สอนไตรักษเราจะเห็นรูปได้สองรูปเห็นนามได้20นามอะไรเงี้ยทั้งสองรูปทั้ง20นามก็สอนอันเดียวกันคือไตรักอย่างเจตสิกมี52ตัวเราเห็น20ตัว ถ้าเข้าใจ20ตัวนี้อย่าว่าแต่เข้าใจ20ตัวเลยเข้าใจสองตัวนะเข้าใจสองตัวก็เข้าใจทั้งหมดละมันเป็นการสุ่มตัวอย่างมาเรียนไม่ต้องรู้ทั้งหมดคล้ายๆงานวิจัยจริ ง, รงๆเลยอย่างเราทําวิจัยอยากรู้ทัศนคติคนไทยนะต่ออเมริกาสมมติอย่างนี้เราไม่ต้องถามคนไทยทั้งหมด70็ดกว่าล้านคนนะเราสุ่มตัวอย่างมาถามถ้าเราเลือกตัวอย่างเก่งนะมันก็จะสะท้อนภาพว่าคนทั้งหมดรู้สึกยังไง ถ้าเรารู้จักรู้รูปนามนะสภาวธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูเนี่ยถ้าเราดูเพียงอันใดอันหนึ่งแจ่มแจ้งแล้วมันจะแจ่มแจ้งทั้งหมดเลยนะมันจะแจ่มแจ้งทั้งหมดอย่างเราเห็นว่าจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับไปจิตผู้หลงเกิดแล้วก็ดับไปเห็นแต่เผลอก็รู้หลงก็รู้หลงก็รู้แค่นี้จิตมีโมหะหลงไปกับจิตที่รู้สึกตัวเห็นอยู่คู่เดียวเนี่สุดท้ายมั่ก็เกิดปัญญาแจ่มแจ้งว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับ แล้วก็ถ้าเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดดับนะสภาวะทั้งหลายก็เกิดดับหมดเลยนี่เห็นจุดเดียวนะก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่เข้าใจสิ่งที่เป็นตัวเรานะมันจะเข้าใจโลกเข้าใจจักรวาลเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยมันเกิดดับแบบเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนนะเราหัดแยกรูปแยกนามอย่าตกใจว่าต้องแยกตั้ง72ตัวนะแยกเท่าที่เราแยกได้อย่างน้อยมีสองตัว มีจิตที่เป็นคนดูอันหนึ่งนะกับสภาวะทำอย่างอื่นที่จิตเป็นคนดูจิตไปเห็นเข้าอาจแยกคู่นี้ก่อนถ้าถนาดดูกายก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูยังแยกไม่ถึงธาตุตัวจริงนะเอารูปข้างเคียงไปก่อนรูปที่พอมองเห็นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปคู่รูปเหยียดรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าเนี่ยอาศัยพวกนี้ไปก่อนก็จะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราหรอก รูปยืนก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารูปเดินรูปนั่งรูปนอนก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารูปหายใจออกรูปหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนื้อใจมันเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปสุดท้ายปัญญามันเกิดเห็นรูปทั้งหมดไม่ใช่เราเนี่ยเห็นรูปทั้งหมดไม่ใช่เราไม่จําเป็นต้องเรียนรูปทุกชนิดหรอกนะไม่ต้องเรียนทั้งหมดทุกชนิดหรอกเรียนบางรูปนี่แหละพอเข้าใจแล้วก็เข้าใจทั้งหมดว่ารูปทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรา เรียนนามธรรมนะคนไหนขี้โมโหเราก็ดูจิตคู่เดียวก็พอจิตโกรธกับจิตไม่โกรธทั้งวันมีอยู่แค่นี้ทั้งวันมีจิตแต่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธในพวกขี้โมโหพวกขี้โลภทั้งวันก็มีแต่จิตโลภกับจิตไม่โลภจิตไม่โลภเป็นไงบ้างจิตไม่โลภก็เป็นจิตที่เป็นกุศลบ้างจิตที่โกรธบ้างจิตที่โกรธจะไม่โลภนะงั้นจิตที่คําว่าจิตที่ไม่โลภนะอาจจะเป็นจิต เป็นอากุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้แต่ว่าเราเอาตัวรอบเป็นตัวหลักเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็โอบเดี๋ยวก็ไม่โลบเดี๋ยวก็รอบ <ๆ S 1> เดี๋ยวก็ไม่รอบ <ๆ S 1> ดูอย่างนี้ขี้โมโหก็เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี Trend, ounds, <ๆ>๋ยวก็โกรธเดี<ๆ>๋ยวก็ไม่โกรธหรือถ้าเราสติเราไวๆนะเราเห็นจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวก็จิตหลงเดี๋ยวก็จิตรู้เดี๋ยวก็จิตหลงจิตรู้วันๆมีแต่จิตหลงกับจิตรู้เนี่ยดูอยู่แค่เนี้นะสุดท้ายมันจะเข้าใจจิตทั้งหมดแหละจิตทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรานะ จะเห็นทีเดียวรวบยอดเลยเวลาที่ปัญญาในองค์มรรคเกิดมันจะเห็นรวบยอดไม่ได้เห็นทีละตัวทีละตัวนะงั้นแค่เราพุโทโธพุโทโธนะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้พุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนเรารู้แค่นี้ทำให้จบได้นะทําให้จบได้นะหลวงตามหาบัวถึงขนาดพูดเลยท่านปฏิบัติมาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนะี่ยท่านพุโทโธตลอดเลยแต่ถ้าไม่ได้พุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองพุโทโธเราให้จิตนิ่งๆไม่ใช่โง่อย่างนั้นนะ ท่านพุทโธแล้วท่านรู้เท่าท่านจิตเหมือนพุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนเรารู้อย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองหรอกคุณแม่จันดีก็เล่าให้ฟังแม่จันดีน้องหลวงตาหลวงตารับรองเลยว่าพาวนาดีมาตั้งแต่ปีสาหเดือนสิงหาคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนาไงจิตมาลงที่เดียวกัน หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อแต่งเด็กๆหลวงพ่อทำอนาปานสตินะหายใจยลมหายใจหยุดกลายเป็นแสงแสงสว่างมอยู่ที่นี้นะแล้วเราก็รู้อยู่ที่แสงนี้นะเพราะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกถ้างั้นหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ดูลมหายใจท่านไม่ได้ดูแสงหลวงตามหาบัวให้ท่านพุทโธท่านก็กําหนดจิตไว้ตรงนี้พุทโธพุทโธไปนะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ ตอที่จิตเคลื่อนเรารู้ไปได้จะเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงเใช่ไห ม, มเดี๋ยวมันก็อยู่เดี๋ยวมันก็ไปนี่มันไม่เที่ยงไอ้อยู่ก็ไม่เที่ยงไปก็ไม่เที่ยงแล้วก็เห็นด้วยว่ามันไปเป็นไปเองมันจะไหลไปมันก็ไปของมันเองนะเป็นอนัตตาจะเห็นนี้เนี่ยดูแต่ของท่านดูตรงเคลื่อนดูตรงเคลื่อนนะอย่างท่านมันมีพลังมากจิตเขาตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วท่านมาเดินปัญญาแท้ๆเนี่ยด้วยการดูกาย แต่หลวงพ่อไม่ได้เดินด้วยเดือนดูกายไม่ชอบดูกายรู้สึกตื้นรู้สึกไม่สะใจดูกายดูผมเคยดูไม่ใช่ไม่ดูนะดูได้ยินครูบาอาจารย์พูดสอนคนอื่นเรื่องดูกายก็ดูเหมือนกันดูผมผมหายวับไปเลยสมาธิมันแรงเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะนังศีรษะเปิดไปเลยหายไปเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกขาดไปเลยเหลือแต่ตัวดูตัวเหลือแต่กระดูก ดูกระดูกระดูกระเบิดเลยกลายเป็นเม็ดเล็ก ๆ, ๆ, ๆอยู่ที่พื้นตามดูออกไปนะกลายเป็นคลื่นแสงใจมันรู้ตอนนั้นเลยนะว่าจริงๆรูปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าแยกออกไปถึงที่สุดแล้วเป็นคลื่นเท่านั้นเองเป็นแค่คลื่นแสงคลื่นไหนเท่านั้นเองไม่มีอะไรจริงจังเลยเป็นภาพลวงตาที่มาประกอบกันเป็นก้อนๆแข็งๆขึ้นมาเนี่ยแต่รู้สึกไม่สนุกดูแป๊บเดียวก็หมดละไม่สนุกไม่สะใจ ก็ลงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะว่าสะใจจิตนี้ช่างวิจิตพิสานมันชื่อจิตก็เพราะมันวิจิตพิสานนะั่นแหละมันหลากหลายเหลือเกินมีสารพัดชนิดนะจิตนะทำงานก็ได้หลากหลายจิตทำงานได้14แบบนะอัศาจรรย์ไหมตัวเดียวนะทํทำงานได้ตั้ง14งานเนี่ยเก่งนะจิตนี่แหลนะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เฉยๆก็ได้ จิตนี่แหละเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เนี่ยมันสารภาพจะเป็นนะจิตนี่แหละอยู่ในกรรมวนเวียนอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดทพาก็ได้นะจิตนี่แหละไปวนเวียนอยู่ในรูปประพบแนรูปปพบก็ได้นะจิตนี่แหละเข้าสู่โล ก, กุตระก็ได้อ า, าจารย์มากเลยเรียนแล้วมันนะเพราะว่าว่าใจมันชอบถ้าดูไกนะ่แล้วไม่ชอบแต่ว่า ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่รุ่นเก่านะท่านดูไกาท่านดูกายมาก่อนนะจกนกระทั่งเกือบจะจบภารกิจแล้วท่านที่จะมาดูจิตทีหลังงั้นแต่ละคนไม่สําคัญนะไม่จะดูอะไรขอให้เข้าถึงสภาวะแท้ๆดูรูปเพื่อให้เห็นรูปจริงๆดูนามก็ให้เห็นนามแต่ละนามจริงๆนะดูเท่าที่ดูได้อย่างขี้โมโหรู้จักโกรธไหมพวกเรารู้จักโกรธใช่ไหม โกรธเป็นไหมใครไม่เคยโกรธเลยมีไหมใครจะหลอกลวงว่าไม่โกรธเลยใครไม่โลบนีไหมใครไม่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนี่หางห่ายยุคของเราเนี่ยยุคฟุ้งซ่านหาความสงบยากมากเลยจะต่างกับรุ่นครูบาอาจารณ์นะรุ่นครูบาอาจารย์จะทําสมาธิกันเก่งนั่งสมาธิกันทีงนานนาน น, า น, นั่งเป็นคืนๆเลยบางองค์นั่งเราลุกไม่ได้นั่งเหมือนแคร่ไม้ไผ่พอนั่งไว้แล้ว ไม้ไผ่มันก็ทางออกไปหน่อยหนึ่งพอขยับตัวไม้ไผ่มันก็หนีบเนือเอาไว้นะลุกไม่ได้นะลูกว่าทูกมันหนีบอยู่นเนะพระพรนาของท่านโตรุ่งไปนะเเช้าขึ้นมาหาทางลุกขึ้นมานะไรอย่าสมัยต้นก็พอนากันดูเดือนของพวกเราทําไม่ได้ใจเราวกแวกวกแวกโดยธรรมชาติก็วกแวกอยู่แล้วนะคิดมาก เราก็ยังหาอุปกรณ์ทำลายสตินะเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรนี่แหละตัวอับรีเลยนะ่ะทำลายสติที่สุดเลยนะเดินจงกรมนี่มีคนมาสารภาพเดินจงกรมนะเดินเดินแล้วก็เดินไปพอเดี๋ยวไม่ทันจะกลับมาเลยนะคิดถึงแล้วเดี๋ยวต้องมาดูหน่อยมาแวะดูพวกเรายังไม่โพสอะไรทิ้งแวะไปเดินต่อ เดินไปยังไม่ทันจะจบแล้วมีใครเขียนอะไรอย่างวะเ <c oughs> นี่ยอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะพาวนานได้ไงวะ <c oughs> นาะงั้นไม่ได้เรื่องหรอกใจนุ่งวกแง้วกแง้เดี๋ยวเพิ่มอุปกรณ์ทําลายสติตัวเองสติเราอ่อนอยู่แล้ว <c oughs> นะพยายามทําอะไรที่มันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยหลวงตามหาบัวเมื่อก่อนไม่เข้าใจท่านนะ <c oughs> ท่านไม่ชอบโทรศัพท์มือถือท่านเรียกว่าเทวทัตเลยจาได้ไหม <c oughs> เรายังนึกในใจนะจะเทเลโฟนนะไม่ใช่เทรทัศ <laughs> น์ทำไมเป็นเทวลทัศน์ไปได้นั่นเป็นเทเลโฟนแท้ๆพอมาอยู่ๆมานะเห็นลูกสิทธิ์ลูกหาเห็นพระเห็นโยมเล่นในพวกนี้นะโอ้รู้เลยยุคนี้ร้ายกว่ายุคที่หลวงตาเคยเห็นอีกแต่ก่อนแค่มีมือถือนะ เดี๋ยวนี้เล่นอะไรได้สารพัดเลยลายกว่ากันเยอะเงั้นท้อยากได้มากกว่นิพพานนะอย่าเล่นมากเอาเวลามารู้สึกตัวมาแยกธาตุแยกขันธ์มากๆนะแยกขันธ์ทำยังไงนะแยกขันธ์เห็นร่างกายแก่ใจเป็นโคล่านกันนี่ก็โคล่ขันธ์ละร่างกายก็เป็นรูปตะขันจิตใจเป็นนามนะแยกรูปแยกนามได้ละหรือแยกให้ละเอียดออกไปถ้าเราทรงสมาธิจริงนะเราแยก ตัวรูปเนี่ยแยกออกเป็นธาตุได้อีกแยกกับเป็นาธกกนาตุดินน้ำไฟลมได้อีกได้4อย่างดินน้ำไฟลมตัวนามธรรมาก็แยกได้4อย่างคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือความรับรู้หรือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจสี่อันตัวาธาตุก็แยกเป็นาธาตุดินน้ำไฟลมสี่อัน ตัวนามก็แยกเป็น4ี่เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วปรุงอะไรบ้างที่ไม่นับว่าดีหรือชั่วอย่างสมาธิอย่างนี้สมาธิเนี่ยเป็นธรรมะกลางกงนะเกิดร่วมกับจิตที่ดีก็ได้เกิดร่วมกับจิต ท, ที่ชั่วก็ไดนะ้สมาธิเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆุดวง สมาธิมีหลายแบบนะบอกนะมันจึงเกิดได้กว้างขวางมากอีกการหนึ่งคือวิญญาณวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์อย่างวิญญาณารับรู้อารมณ์ต่างๆาเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณจิตวิญญาณกับจิตก็อันเดียวกันนะคำว่าใจคือคําว่ามโนคําว่ามโนคือใจคําว่าวิญญาณคําว่าจิตคือสภาวะอันเดียวกั น, น, ะนะแต่ทําหน้าที่ต่างๆกันท่านเอง เรียกชื่อต่างๆกันไปถ้าออกไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสอะไรเงี้ยภาวะแรกที่รู้นั่นแหละเรียกว่าวิญญาณหรือรู้อารมณ์ทางใจภาวะแรกที่รู้นั่นแหละเป็นวิญญาณถัดจากนั้นก็ทํางานปรุงแต่งต่อนะปรุงแต่งต่อออกมาก็เป็นเขาเรียกวันว่าจิตนะที่จริงคือสภาวะอันเดียวกันแต่ทํางานคนละช่วงกันนะไม่ต้องคิดเยอะค่อยๆหันแยกแยกเท่าที่แยกได้ อย่างน้อยแยก2อันแยกให้ได้สองแล้วหนึ่งในสองคือจิตต้องแยกอย่างนี้นะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยร่างกายเป็นอันหนึ่งใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยต้องมีสองอันอย่างน้อยมีสองอันถ้าแยกได้สองนก็ใช้ได้แล้วล่ะไม่ต้องแยกทีเดียวทั้ง72ิตัวนะแยกไม่ได้หรอกเยอะเกินแยกเท่าที่แยกได้หรือทางจิตใจเนี่ย ก็แยกเท่าที่แยกได้อย่างสุขทุกเรารู้จักใช่ไหมเฉยๆเรารู้จักดีเรารู้จักโลบกรดหลกเรารู้จักสภาวะทางใจเรารู้จักเยอะหน่อยแล้วก็ดูเท่าที่ดูได้อย่างเวลาใจมันเซ็งขึ้นมาอางี้ใจที่เซ็งเป็นกิเลสตระกูลอะไรตอบได้ไหมโลภะโทสะโมหะโทสะธานีนะธานีเป็นตะกูลไหนใครว่าโทสะ แน่ใจนะใครว่าโลภะเวาตนิน่หวงแหนโทสะทุกพวกนี้ที่ตอบได้ไม่ใช่เก่งหรอกเคยฟังหลวงพ่อเรีย <c oughs> กว่ารู้ข้อสอบ <c oughs> ทำไมขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวเราถือว่าเป็นโทสะใช่ไหม <c oughs> เวลาที่เกิดความรู้สึกห่วงแหนนะ่ะมีสุขหรือมีทุกขมีทุกนะจิตที่มีความทุกเนะี่ยจาไว้เลยเป็นหลักเลยนะ ความทุกข์ทางใจเนี่ยนะเกิดร่วมกับจิตตระกูลเดียวคือจิตตกูลโทสะแต่ถ้าจิตมีราคาเนี่ยมีความรู้สึกสองอย่างมีสุขก็ได้อุเบกขาก็ได้นี่ส อ, อย่างจิตที่มีราคากับจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความรู้สึกทางใจสองอย่างเหมือนกันจะมีความสุขได้จะมีอุเบกขาได้แต่ถ้ามีความทุกข์เนี่ยฟันธงเลยนะถ้าความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นฟันธงเลยจิตดวงนั้นเป็นโทสะแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเลย ไม่มีทางดินเค่อยๆหัดดูไปไม่ต้องละเอียดลึกซึ้งดูเท่าที่ดูได้คนจีบโมโหก็เห็นเนาจิตโมโหละดูไปสักพักถึงอ้าวหายไปแล้วทําไมหายละ่ะลืมวัตถุที่โมโหเช่นเราคิดถึงคนนี้เราเกลียดหน้ามันพอดีหันไปเห็นเพื่อนอีกคนที่เราชอบนะวัตถุที่เราทําให้เราโกรธไม่มีแล้ว กลายเป็นวัตถุที่ทาให้ชอบราคาเกิดแทนจิตมันเปลี่ยนไปตามปัจจัยที่มากำหนดมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวของมันเองหรอกนะมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากำหนดอย่างกระทบอารมณ์ไม่ดีโทสามก็ขึ้นกระทบอารมณ์ที่ดีราคามันก็ขึ้นเราสั่งมันไม่ได้อย่างเรากระทบอารมณ์ไม่ดนะีจะให้เกิดราคาไม่เกิดหรอกหรือกระทบอารมณ์ที่ดี ถูก อ, อกถูกใจจะให้เกิดโทสะไม่เกิดในขณะนั้นเนี่ยเราสั่งไม่ได้นะราคาโทสะอะไรจะดีจะชั่วยจะสุขจะทุกข์สั่งไม่ได้สะอย่างเลยเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเลยสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยเราจะเรียนจนเห็นความจริงตรงนี้เราจะรู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอก มีแต่สภาวะธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สภาวะนั้นมีทั้งรูปธรรมนามธรรมารูปธรรมนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันนามธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันเะนี่ยเฝ้าดูความจริงเรื่อยๆไปนะสุดท้ายจะรู้ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีหรอกนะหัดรู้หัดดูไปเรื่อยนะไม่ยากอะไรดอกอย่าใจลอย ศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติก็คือใจลอยเวลาที่ใจลอยนะเรามีกายเราลืมกายมีใจเราลืมใจแล้วเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้ไงเพราะการเจริญปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจพอใจลอยนะมีกายก็ลืมมีใจก็ลืมก็เลยเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้อใจลอยนี่คือศัตรูเบอร์หนึ่งศัตรูเบอร์2ก็คือการบังคับกายบังคับใจแทรกแซง เราอยากเห็นกายอย่างที่กายเป็นนะอยากเห็นความจริงของกายอยากเห็นความจริงของใจเราก็ต้องดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติคนที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยใจใจลอยตลอดเลยหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนะหลงวันละครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวเลยนี่คนทั้งโลกมันเป็นอย่างนั้นส่วนนักปฏิบัติเนี่ยมีสติไม่หลงนะแต่บังคับกายบังคับใจเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติ เดินจงกรมก็เดินผิดธรรมชาตินะบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเวลาจะนั่งสมาธิก็เริ่มต้นจะบังคับกายก่อนบังคับกายเรียบร้อยแล้วก็บังคับใจอย่างถ้าเนี่ยนั่งอยู่ในท่าที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยถ้าบอกอ้าวทำสมาธิต้องท่า น, นี้ก่อนนะควบคุมร่างกายให้เรียบร้อยก่อนถัาจากนั้นก็บังคับใจทำขลุม หายใจไปเรื่อยแล้วทำเขิมถ้าทําคขิมแรงนะมันจะเป็นเครียดจะเครียดนะแล้เครียดสุดขีดสติแตกบ้านะอีกพวกหนึ่งทำเคลิมนะนี่คือดัดนะแปลงจิตเหมือนกันแทรกแซงจิตเหมือนกันนั่งสมาธิต้องทําซึมก่อนซึมเราท้อเราถวยคิดว่าสงบกับเราท้อเราถวยนี่คืออันเดียวกันนะนะ บางคนนั่งงอ๊กเงีงกเงี ง, งชั่วโมงหนึ่งนะหมดเวลาแล้วลืมตาขึ้นมาวันนี้ภาวนาดีจังเลยสงบความจริงสลบไปชั่วโมงหนึ่งเหรอเราั้นการภาวนาเนี่ยรู้สึกตัวนะแต่ไม่ใช่บังคับกายบังคับใจทางสายกลางอยู่ที่รู้นะโดยที่ไม่ได้เพ่งไว้ตัวที่สุดตรงมีสองข้างข้างที่หลงไป ตามกิเลสไปตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสพลัตพลทั้งหลายไปเรียกกวามสุขขริกานุโยคสุดโต่งไปข้างตามกิเลสตามกามไปข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากเรียกอตัตตกิลมถานาุโยกเมื่อเราบังคับกายบังคับใจแล้วเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจมันจะนิ่งไปหมดเลยอย่างจิตของเรานี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมเมื่อกี้หัวเละตอนนี้ไม่หัวละแล้วเปลี่ยนตลอดแต่ถ้าเราบังคับเนี่ย หลวงพ่อพูดแกล้งให้ตลกนะเห็นขำเลยเ <laughs> นี่ยมันผิดธรรมชาตินะจิตที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการภาวนานคือจิตของเด็กจิตของเด็กไม่มีมาญยา <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกมีอารมณ์มากระทบก็เกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติจิตอย่างนั้นแหละดีที่สุด แต่เด็กขาดอะไรเด็กขาดสตนะิเด็กไม่รู้เท่าทันว่าตอนนี้สุขตอนนี้ทุกข์ตอนนี้ดีตอนนี้ชั่วพวกผู้ใหญ่ที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยมีจิตที่ผิดปกติจิตที่นิ่งกว่าความเป็นจริงนะแต่มีสติใช่หไหมมันมีโคลนอันนะมีคนละอย่างเสียคนละอย่างเด็กมีสติไหมไม่มีไม่มีสติแต่มีจิตที่เป็นธรรมชาติพวกเราจะดูจิตเนี่ยเราไม่มีจิตที่เป็นธรรมชาตนะิแต่เรามีสติจิตเป็นยังไงรู้หมดเลยเนี่ย เป็นยังไงก็นิ่งสิว่างๆเนี่ยจิตว่างเนี่ยดูไปเรื่อยโอ้จิตนี่ว่างนี่แหละมหาสุญญตานี่แหละพระนิพพานต่อไปนี้เราจะอยู่กับจิตว่างเราได้ถึงพระนิพพานแล้ว <c oughs> อย่าทำน้าบ้าอย่าทำนะอย่าไปฝึกอะไรบ้องๆ อ, อย่างนั้นนะเอาไปกินข้าว